เราชวนคุยธรรมะกันในวันนี้อาตมาพระไพบูลย์อภิปุณโณจากวัดป่าด่อนไหศอกก็ มีบางคนเอ่อตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนอย่างเด็กบางคน ต้องรวบรวมสติสัมปชัญญะสักนิดนึงถึงจะค่อยรู้อะไรเป็นอะไรอยู่เรายังอยู่เนี่ยเป็นเครื่องบ่ง เช่นว่ามีอวัยวะแขนขาอวัยวะภายในอวัยวะภายๆอีกนิดนึงว่าเอ๊ะพวกนี้มาจาก 10 ปีที่แล้วก็ก็ 10 ปีข้างหน้า ก็ทำได้เลยทางวิทยาศาสตร์เค้าก็เห็นปรางต้องการตรงๆที่ทําให้ให้เซลล์ต่างๆมันพอกพูนโตขึ้นมา เป็นเหตุของกายเป็นเหตุของกายนะมีกายอยู่เอ่อมีอาหารอยู่ก็จึงมีกายนะๆมาจากที่ มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเนี่ย 9 เดือน 10 เดือนบ้างบ้างนะแล้วก็เอ่อประคับประคองด้วยดูขึ้นมาด้วย นักคล้าเอามาแล้วก็กะวัดระวังประคับประคองด้วยความประคบประหงมอย่างยิ่งยิ่งเหมือนว่ามารดาเป็น หาคุณที่สุดไม่ได้เลยมนาบิดาที่หาคุณสุดไม่ได้นี้เนี่ยทํา มันมันยากแสนยากไหนยากขนาดไหนพุทธเจ้าเปรียบเทียบให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของโลกใบหนึ่งเหนือที่ 1 ส่วนส่วนที่ 3 ส่วนคือบางกว่าคุณก็ต้อง เพราะฉะนั้นที่อยู่จริงๆของเราคืออยู่บนบกและไม่ 4 ส่วนนะส่วนนึงเนี่ยเป็นดินและอีก 3 ส่วนนี่เป็นน้ํานะ 4 ส่วนนี้มี มีคนคนหนึ่งมีแอคเค้าโยนแอคไม้ไผ่คือแพนนั่นแหละแล้วโยนแพนลงไปในน้ํานี้นะเพื่อที่รูอยู่รูนึงพอดี แล้วก็มีอยู่ในแผ่ 4 ส่วนของพื้นผิวโลกเลยเนี่ยนะก็ลายไปตามทิศทางลมนั่นแหละลมเหนือลมใต้ลมออโต้วันตกเดี๋ยวพอหน้า 4 ส่วนของโลก น้ําพอมันอ่าตาบอดแล้วก็ยังมีความอึดมากด้วยนะอึดขนาดที่ 100 ปีเนี่ยหายใจครั้งเดียวนะลงไปในน้ําก็ อ่าพุทธเจ้าถามภิกษุทั้งหลายถึงความน่าธรรมดาธรรมดา เนี่ยเข้าสมาธิไปก็ได้หรือไม่เข้าก็ได้ก็ไม่เป็นไรน้องคิดดูว่ามัน โอมันยากมากนะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอีกๆมันอาจจะยังไม่เข้า 100 ปีละโผล่ มันเป็นคนละทวีปละคนละทั่วคนละขั้วละของโลกละวนไปวนมาอยู่อย่าง แต่ทําไมถึงยากขนาดนี้เอ่อคือว่าสัตว์มีสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นมีสรรพรกเป็นต้นเนี่ยเอ่อมีแต่ความบิดเบือนกันเป็นธรรมดา เรเราก็จึงเห็นการเบียดเบียนอยู่ในโลกมนุษย์ของเราอย่างนี้อยู่แล้วในนรกเนี่ยทาง นะมีใจเหมือนกับสัตว์นรกพวกนี้เป็นต้นนะตายไปก็จะไปอยู่กับพวกนั้นล่ะเนาะแล้ว นะมีเศษอาหารกินก็ยินดีในความที่มันเป็นสุนัขมีๆนั่นเป็นเพราะว่าธรรมชาติคือ นะเรารู้หรือเปล่าว่าเราถูกขังอยู่ในสังสารวัฏว่าเออเค้าอยู่ในคุกว่ามันไม่ดีมันอยากออกอาหารก็ แต่ว่าเราถูกขังอยู่ในสงสารวัฏเนี่ยเราไม่รู้ตัวเลยซ้ําได้ยินดีว่านี้ดีอันนี้ กรุงเทพมหานครตอนชายเมืองรอบๆเนี่ยเป็นจุดที่เป็นชุมทางในชุมทางเนี่ยจะต้องมีเส้นทางอะไรต่างๆมากมายเราจะมาคุยกันเรื่องถึงชุม เป็นชุมตาที่เราจะไปสู่